Thank mm -hmm. you. ทำวัดเย็นพึ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นะบทที่เราสวดหลายคนนคุ้นเคยนะเริ่มตัวกุศลาัถปานี้เราก็หลายคนก็นึกไปถึงงานศพทันทนะีที่จริงบทสวดที่เราสาธิยามเมื่อสักครู่นี่ก็คือการสวดอภิธรรมเจ็คัมภีร์ ซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับความตายเลยแต่ว่าหลายคนก็จะนึกไปถึงงานศพทันทีเพราะว่าพระเนี่ยท่านนิยมสวดอภิธรรมอัที่จริงถ้าไม่มีงานศพนะโอกาสที่พระจะสวดบทที่เป็นธรรมะขั้นสูงนี่ก็คงยากนะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เวลาอยากจะให้พระสวดมนต์ก็มักจะนิมนต์ให้สวดที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะความเจริญนะความผาสุขซึ่งเราก็บทที่พระนิยมสวดกันนะในงานที่เป็นมงคลก็เรียกว่าเจริญพุทธมนต์เนื้อหานี้ก็นอกจากเป็นเรื่องธรรมะ แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอวยชัยให้พรคนส่วนใหญ่ก็อยากจะฟังนะคำสวดหรือว่าคำอวยพรนะที่พระสวดให้เราฟังการที่จะนิ ม, มนต์ให้พระหรือปรดโอกาสพระได้มาสวดธรรมะขั้นสูงซึ่งเข้าใจยากเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีโอกาสหรอก ก็อาศัยงานศพนี่แหละน ะ, ะเป็นโอกาสที่พระจะได้สวดธรรมะขั้นสูงหลายคนก็อาจจะเพิ่งได้เคยเข้าใจความหมายนะเพิ่งจะรู้ความหมายของอบทสวดที่ได้ยินในงานศพก็จากที่นี่นี่เองนะเพราะปกติพระก็ไม่ได้สวดแปลเท่าไหร่ หลวงพ่อมเขียนตอนที่ก่อนท่ทานจะมาร์ณภาพเนี่ยท่านก็สั่งเอาไว้นะว่าไอาการสวดพิธีรรมเนี่ยในงานศพของท่านเนี่ยก็ขอให้แปลด้วยนะจะได้เข้าใจความหมายแล้วถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยจะเข้าใจความหมายใน ของพระพิธรมได้นี่ก็ต้องมีพื้นฐานนะพื้นฐานทั้งในแง่ปริยัตและปฏิบัติด้วยไม่ไงั้นก็ไม่เข้าใจก็ถ้าจะเข้าใจก็เข้าใจในลักษณะของการาโยงไปถึงงานศพแต่ถ้าหากว่าจะโยงหรือให้นึกถึงงานศพถ้านึกดีๆก็มีประโยชน์นะ คนที่นึไม่เป็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชวนให้หดหูเศร้าหมองหรือว่าอาจจะนึกไปถึงขั้นว่าอันนี้เป็นการแช่งคนที่ไม่เข้าใจในบทสวดเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละสมัยที่หลวงพ่อปานเนี่ยวัดบางลำโคท่านยังเป็นเด็กอายุ3าสี่ขวบเนี่ยจู๋จู๋เนี่ยท่าตอนที่ชั้นตอนที่เป็นเด็กกินอาหารและมีความสุขเพลิดเพลินในอาหาร จู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าอารหังสัมมาเพียงเท่านี้แหละนะโยมแม่นี่ก็ด่าเลยด่าว่าเนี่ยมึงจะตายก็ไปตายคนเดียวนะอย่ามาแช่งให้คนอื่นตายด้วยมึงไม่รู้หรอว่าอารหังเนี่ยนะเขาไปสวดตอนคนใกล้ตายนะนี่มึงจะชวนให้คนอื่นตายไปด้วย จริงๆอรหังสัมมานี่เป็นคำที่มีความหมายดีนะเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้านะอรหังสัมมาสัมพุโทโธนะถ้าพูดขึ้นมาแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นสิริมงคลสวดพุทธมนต์นะที่ไหนโอกาสไดก็ต้องเริ่มนะอรหังสัมมาแต่ที่โยมแม่ของท่านเนี่ยพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าประเพณีชาวบ้านเนี่ยเวลาคนใกล้ตายเนี่ย ก็มักจะมีการ น, นิยมนำทางคนใกล้าตายด้วยการบอกอรหังนะบอกอารหังที่บอกอารหังนี่ก็เพราะว่าให้คนใกล้าตายเนี่ยราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตจะได้เป็นกุศลไงเพราะว่าถ้าเกิดมีศรัทธาเป็นพื้นฐานพอราลึกถึงพระพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีจิตใจที่ปิติปราโมทย์ไม่กลัวตาย แต่ว่าชาวบ้านจำนวมากไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเวลาพูดถึงอรหังเนี่ยก็จะนึกถึงงานศพอ่านึกถึงคนใกล้าตายขึ้นมาซึ่งก็มันก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าที่เด็กชายปานเนี่ยนะเออคาว่าอารหังก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่นานนะยายท่านใกล้จะเสียชีวิตผู้คนก็เศร้าโศกนะ ท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่มีคนเนี่ยมาบอกอรหังให้คุณยายท่านก็จำนะคำนั้นมาแล้วก็ไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าวิสัยเด็กนะพอจำแล้วก็ท่านึกขึ้นได้ก็พูดขึ้นมาเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ความหมายส่วนโยมแม่ก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันนะถึงด่าว่าเนี่ยพูด ไอ้คำที่ไม่เป็นสลีปมงคลถ้าราู้ความหมายาจะรู้อรหังสัมมาเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นสุดยอดของมงคลเลยเพราะแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเนะตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองหรือโดยตนเองตอนหลังเนี่ยเมื่อเด็กชายปานโตขึ้นแล้วบวชพระนะรู้ความหมายก็เลยมาบอกอธิบายให้โยมแม่ฟังโยมแม่ก็เลยเข้าใจอ๋อมันเป็นคดีนะอระหังเนี่ย ไม่ใช่ว่ า, าเป็นคาที่เหมือนเหมือนกับเป็นลางนะให้นึกถึงคนตายกลายเป็นการแช่งเนี่ยในทรรงโดยกันนะกุศลาธรรมมาเนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยพอได้ยินก็นึกถึงความตายหรือถึถึงงานศพนะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถ้าจะนึกก็ดีเหมือนกันนะถ้าหากว่านึกแล้วเนี่ยทำให้เกิดความไม่ประมาท ไม่ประมาทว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายนะคนเราเนี่ยนะถ้าไม่ถึงถึงความตายไปบ้างเนี่ยมันก็ประมาทเหตุการณ์อะไรก็ตามนะถ้าหากว่าทำให้เราเรารู้ถึงความตายทำให้เราเรารู้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยย่อมถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วคนฉลาดเนี่ยนะก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเตือนให้เราไม่ประมาทกับชีวิตนะแม้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ย่าแย่นะแต่ถ้าหากว่ามันเตือนให้เราคิดถึงความไม่จรังยังย่งดิ้นของชีวิตแล้วจะได้ไม่ประมาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องคุ้มค่าเรื่องสองปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ จอห์นโรเจอร์เนี่ยเป็นชายอายุหกสิบกำลังเดินจูงหมาอยู่หน้าบ้านเดินออกจากบ้านไม่ทันเลยนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก30เศษมาชนข้างหลังจนแกล้มลงไปทีแรกแกนู้นว่าเพื่อนล้อแต่ทำไมเล่นหนักอย่างนี้หันไปมองปรากฏว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยใช่แต่เท่านั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังเอามีดเนี่ยนะ บีดครัวเนี่ยนะจ้วงแทงตามตัวตามแขนตามขาแทงแล้วแทงอีกนะสี่สิบแผลแล้วก็ทิ้งให้แกจมกองเลือดอโชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์พาส่งโรงพยาบาลได้ทันก็เลยลอดตายระหว่างที่แกรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มันก็มีข่าวว่าตำรวจจับผู้หญิงคนนี้ได้ แล้วก็พบว่าเมื่อในช่วงสิบวันที่ผ่านมาแกแทงคนตายไปแล้วสามคนแล้วก็อาการสาหัสปางตายอีกสองนะซึ่งก็รวมถึงจอนี้ด้วยพอจับผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์จอ น, นี่ยซึ่งเป็นเหยื่อหนึ่งในสองที่รอดตายถามว่ารู้สึกยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าตายแน่แล้ว นักข่าวก็ถามต่อไปว่าตอนนี้จับผู้หญิงคนนั้นได้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมแกก็บอกว่าอยากจะถามเธอว่าทําไมทาอย่างนี้ทําไมถึงทําอย่างนี้นะเพราะว่าไม่รู้จักกันเลยนักข่าวก็ถามต่อไปว่านี่เหตุการณ์ครงนี้มันทำให้ช่วยแกเปลี่ยนแปลงบ้างไหมแกก็ตอบว่ามันทำให้แกได้คิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเดินเล่นอยู่ อาจจะโดยรถโดยสารเนี่ยแล่นทับก็ได้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทาให้แกได้คิดว่าควรทำสิ่งที่ดีสุดเชแต่วันนี้ความหมายคือว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้การที่แกพูดเช่นนี้นี่ก็ถือว่าแกได้คิดนะแล้วก็ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้คนธรรมดาเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่า โอ้ทำไมเราสวยแบบนี้นะอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาหรือวาสนาเราไปทำกรรมอะไรไว้นะแล้วอาจจะคิดถึงเรื่องการไปทำบุญนะสะดอกเคราะห์ซึ่งก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ดีเท่ากับว่าใช้เหตุการณ์นี้มาเป็นเครื่องเตือนใจว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนนะคิดเราเนี่ยนะ มไม่เที่ยงจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองบวกนะมองบวกเนี่ยหมายความว่าเป็นการรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์หลายๆที่เกิดขึ้นเห็นข้อดีของมันหรือใช้ประโยชน์จากมันนะมองบวกเนี่ยหรือคิดบวกบางคนก็เข้าใจาหมายถึงว่าการมองว่าการมองโลกในแง่ดีหรือมองว่า อนาคตของเราจะช่วช่วงชัชวานไปมองถึงเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่มองบวกเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าการรู้จกักใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ไม่ดีให้เป็นประโยชน์เช่นในกรณีนเนี่ยจอรโรเจอร์ซึ่งแกก็ไม่ใช่พุทธ น, นะแต่ว่าแกก็กลับได้ง่ายคิดว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย คนเราถ้ารู้จักมองแบบนี้นะเหตุการณ์ลายเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีถือว่าคุมนะเจ็บตัวแต่ว่าได้ธรรมะนะดีกว่าเจ็บตัวแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยนะแถมเครียดแค้นชิงชังนะอันนี้เรียก ว, ว่ า, าขาดทุนนะคนเราเนี่ยต้องรู้จักนะเปลี่ยนลายให้กลายเป็นดีเอาเหตุการณ์ลายนี้มาเป็นเครื่องเตือนใจ อันนี้ที่แกพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเตือนให้แกรู้ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือทําสิ่งที่สุดตั้งแต่วันนี้คําว่าทําสิ่งที่สุดสิ่งที่ดีสุดงแต่วันนี้นะมัน ค, คล้ายๆกับที่เราคุ้นเคยครับทวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ตะมาคิดว่าประโยคแรกเนี่ยให้ความหมายชัดเจนกว่า ทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้นะก็คือว่าสิ่งที่ดีอะไรที่ควรทำเนี่ยอย่าอย่าผัดนะ์ผ่อรีบทําเสียแต่วันนี้ส่วนคําว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีความหมายมันเบลอๆนะคนหลายคนก็พูดนะจนติดปากแต่ว่าไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรทําแค่ไหนเนี่ยมันหึงจะเรียกว่าดีที่สุดนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนะี่ยทำแค่ไหน แต่ถ้าเราพูดว่าทำสิ่งที่สวยแต่วันนี้เนี่ยนะความมบบมันชัดเจนว่าอย่าผัดผ่อนอะไรที่ดีอะไรที่ควรทำก็รีบทำซะนะอย่างที่2วันก่อนก็ได้พูดว่าเนี่ยความเพียรไปกี่ที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เนี่ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จอห์นโรเจอร์แกได้ข้อสรุปนะจากเหตุการณ์ร้ายๆซึ่งก็ทำให้ไม่ประมาท ก, กับชีวิตนะ คนเราถ้าเราลึกตรงนี้ไว้บ้างนะเราจะไม่ผัดผ่อนอะไรที่ควรทําจะรีบทำทันทีในสมัยพุทธการมีเหตุการณ์หนึ่งนะเมื่อเช้านี้ก็อาจารย์้อยก็พูดถึงท่านภัยฮิยะนะท่านภัยิยะในประวัติน่าสนใจนะเป็นคนที่มีฐานะเป็นพ่อค้าวันหนึ่งก็เดินเรือเดินสมุทรนะเดินเรือปรากว่าเรือแตกโชคดีที่ ไม่ตายแต่ว่าพอมาถึงฝั่งเนี่ยนะก็หมดเนื้อหมดตัวนะเนื้อตัวก็ล่อนจอนเสื้อผ้าไม่หลงเหลือเลยต้องเอาใบาไม้มาห่อหุ้มตัวแล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราลองนะลองหลอกผู้คนดูนะว่าเราเป็นพระอรหันต์นะก็จะมีคนเอาอาหารมาให้ นะความจำเป็นให้บีบบังคับให้ต้องหลอกลวงเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่รอดได้ยังไงคนธรรมดาเนี่ยพอเห็นคนที่ไม่มีทรัพสมบัติไม่มีเสื้อผ้าก็คิดว่าเป็นผู้วิเศษหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงปล่อยวางแล้วนะก็เลยมากราบไหว้แล้วก็มาให้อาหารให้เงินให้ทองภริยาก็เลยสบาย สบายใจนะแต่บางเออเนี่ยก็มีเทวดาเนี่ยซึ่งเคยเป็นเพื่อนในชาติถึก่อนเนี่ยมาบอกมากระซิบว่าท่านไม่ใช่พระอาหารหันนะมีพระอาหารหันที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวัตถีภัยยะก็ได้สติขึ้นมานะก็เลย เ, เดินทางนะแน่วแน่ตรงไปหาผู้เจ้าเสียทางนี้รอยโยชนนะ แต่ว่าเดินไม่หยุดเลยเกิดเรียกว่าเกิดศรัทธาเพราะว่ามีพื้นมีพื้นมีพื้นหลังในเรื่องของการเป็นผู้ใฝ่ธรรมนะถึงแม้จะไปผิดทางชั่วคราวนะแต่ว่าก็ได้สติจากคาเตือนของเพื่อนก็เดินทั้งวันทั้งคืนนะเดินทําไปถึงสาวัตถีตอนเช้านะไปเชตวันก็ได้ทราบว่าผู้จ้าเนี่ยสเสด็จออกบินธร บ, บายก็เลยตามเข้าไปในเมืองสาวัตถี ก็เห็นพระเจ้านี่กำลังบินธบาาอยู่ไภัยยะนี่ดีใจมากนะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าทันทีแล้วก็ขอให้พระองค์แสดงธรรมพระเจ้าเนี่ยเห็นว่าภัยยะนี่เดินทางมาเหนื่อยแล้วก็มีมีไฟอยากจะรู้ธรรมมากเนี่ยทั้งสองประการเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้คนเราเหนื่อยเหนือยเนี่ยนะ จะเรียนรู้อะไรก็ลำบากนะแถมมีความอยากรู้มากเกิดไฟแรงก้าเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคนะเพราะใจนี่ไม่สมดุลผู้เจ้า ก, ก็เลยปฏิเสธว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาภริยาก็ไม่ยอมนะแล้วก็ขอทูลขอเป็นขั้นที่สองแล้วก็ให้ให้ผลว่าไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าพระพุทธงูปก็อาจจะมีกานเป็นไปในวันที่วันพุงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอ ขอฟังธรรมะเดี๋ยวนี้เลยนะผู้เจ้าปฏิเสธเป็นครั้งที่3ามนะพายาวยังยืนยันนะอ้างถึงความไม่เที่ยงของชีวิตคราวนี้พระองค์เห็นว่าพายาเนี่ยนะได้พักบ้างแล้วแล้วก็ใจเนี่ยก็เริ่มสงบลงแล้วนะก็เลยแสดงธรรมเนี่ยว่าเมื่อใดเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อทราบแต่ว่าทราบเมื่อรู้จ้งเนี่ยอารมณ์ก็สักว่ารู้แจ้งเนี่ยอารมณ์ เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกภัยยะฟังเนี่ยนะก็บรรลุธรรมนันทีเลยเป็นพระรหันเป็นคนที่รู้ธรรมเร็วมากเสร็จแล้วก็เลยนะตัดสินใจจะออกบวชผู้เจ้าก็ถามว่ามีบาตมีจีวรหรือ ย, ยังท่านภัยยะก็บอกว่าไม่มีก็เลยรีบไปหา บอกว่าออกไปก้าวไปไม่กี่ไม่กี่ก้าวนะไอ้วัวแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันกาลังดุมันเห็นมันก็ขีดท่านภยยะตายคาที่เลยก็กลายเป็นว่านะไม่มีโอกาสที่จะบวชแต่ว่าก็ไม่สําคัญแล้วนะเพราะว่าท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะที่รู้ธรรมหรือตัดสรุได้อย่างรวดเร็วฉับพลันนะ ผู้เจ้ากล่าวมีกี่ประโยชนก็ตัดสั้นเลยแต่ที่ประเด็นที่น่าสนใจก็อย่างที่ว่านะก็คือว่าถ้าหากว่าท่านภัยยะเนี่ยไม่ไม่ลบเราเนีขอฟังธําจากผู้เจ้าเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยนะเพราะว่าตายซะก่อนนะที่ท่านพูดไว้เนี่ยเหมือนกับว่าจะว่าหนึ่งแต่ในแง่หนึ่งก็เป็นการความเป็นการแสดงความไม่ประมาทกับชีวิต แล้วก็เหมือนกับว่าจะรู้ชะตากรรมล่วงหน้านะถึงบอกว่าเนี่ยขอฟังธรรมเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะถ้าเพราะไม่รู้ว่าวันนี้วันพุ่งจะตายหรือเปล่าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปรินิพพานหรือเปล่าถ้าว่าท่านพา ย, ยาผัดผ่อนนะก็อาจจะไม่บรรลุธรรมเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เช่นว่าประการที่หนึ่งความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่าง ไม่มีเว ล, เวลาบางทีก็สามารถจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากประการที่สองน ะ, ะสิ่งดีๆเนี่ยนะของดีอย่าผัดผ่อนถ้ามีโอกาสก็รีบทำทันทีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ค่อยได้ตระหนักเรื่องนี้เท่าไหร่นะมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังจะอยู่ได้อีกนานเนมันเป็นธรรมชาติคนเรานะแม่แต่แก อายุ7ัิ์เนี่ยก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยังไม่ตายง่ายๆนะอย่างที่พูดไ้เมื่อวานเนี่ยนะลูกนะชวนแม่เนี่อายุ80กว่าแล้วให้เข้าวัดฟังธรรมจะได้พร้อมเผชิญความตายแม่ก็บอกว่าโอยวันหลังก็รับกันนะพ่อแม่ยังอยู่ได้อีกนานตอ น, นที่ก่อนหน้าน น, นเนี่ยเวลาลูกเนี่ยจะควบคุมอาหารแม่ให้แม่กิน ขาเหนียวทุเรียนแม่นี่โอ้ยวิงวอนร้องขอให้แม่ได้กินเถิดนะอ้างเหตุผลว่าอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะเวลาจะกินของดีๆนี่ก็อ้างว่าใกลาตายแล้วแต่เวลาจะชวนเข้าวัดนี่กับมีข้ออ้างว่าโอ้ยังอยู่ได้อีกนานอันนี้เราประมาทนะ ขณอายุ80กว่านะยังคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกนานนับประสาอะไรกับคนที่ยังหนุ่มยังแน่นแล้วเพราะความประมาทเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยตายกันนักต่อนักแล้วนะคนเราเนี่ยก็รู้นะว่าทุกว่าเราต้องตายแล้วก็รู้ว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ก็มักจะหาข้ออ้างมีพยาบาลคุณถึงเล่า ว, ว่ากลับไปเยี่ยมบ้านนะบ้านนี้ก็อยู่ต่างจังหวัด ช่วงสงกรานต์ก็เห็นน้องชายเนี่ยนะก็อยู่อยู่กับคุยกับ น, น้องชายอยู่พักใหญ่ประมาณวัน2วันแล้วก็มีตอนเช้าน้องชายเนี่ยจะขี่จั ก, กรยานมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านพี่สาวเป็นพยาบาลเนี่ยก็สนใจเรื่องความปลอดภัยก็เลยบอกให้ให้น้องชายเนี่ยสวมหมวกกันน็อกน้องชายปฏิเสธบอกว่า คนรอถ้ามันถึงคราวตายก็ตายนะพูดมันก็ว่าถึงแม้ใส่หมวกกันน็อกถ้ามันถึงคราวตายเนะี่ยมันก็ตายแต่ที่จริงเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือเป็นข้ออ้างนะว่าตัวเองเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะในใจของเขาเนี่ยคิดว่ายังไงฉันก็ไม่ตายหรอกนะฉันยังหนุ่มนะอายุแค่ไม่ถึงส0 ที่เกียรใส่หมวกกันน็อกแล้วเชื่อว่าตัวยังไม่ตายก็เลยอ้างให้เหตุผลว่าคนเราถ้ามาถึงคราวตายก็ตายฟังดูเป็นธรรมะนะแต่ว่าไอเหตุผลหรือแรงจูงใจที่พูดเนี่ยเพราะลึกๆเชื่อว่าตัวยังไม่ตายแล้วก็ขี้เกียร์ใส่หมวกกันน็อกนะปรากฏว่าขี่จักรยานไปได้ไม่ถึง5นาทีนะก็แหกโค้งชนเสาไฟฟ้าตายพี่สาวเสียใจมากช็อกเลยนะ เพราะพึ่งคุยกับลูกพึ่งคุยกับน้องสาวน้องชายหยกนะว่าให้ใส่หมวกกันน็อกคนเราเนี่ยนะบ่อยครั้งเนี่ยนะมันประมาทนะและเหตุผลที่ประมาทก็คิดว่าเพราะหนุ่มเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะมีสุขภาพดีแต่ความตายมันมาใกล้นะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะมันมีคำพูดนะที่เป็นภาษี ข, ของของชาวทิเบตบอกว่า ไม่มีใครรู้หรอกนะระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนคนมาคิดว่ากว่าชาติหน้าจะมาก็ต้องมีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาก่อนชาติหน้ามาทีหลังแต่นี้ไม่แน่นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยมีคนประมาณแสนห้าหมื่นคนนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาทั่วโลกนะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลย แล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาข้าแล้วนะแต่ถ้ามันยังไม่ข้ามวันนีมันก็มีโอกาสที่จะมีอันเป็นไปหรือตายได้ทั้งนั้นดั้ความความไม่ประมาท ก, กับชีวิตเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ประจําใจตลอดเวลาแม้ในายามที่เรามีความสุขมีสุขภาพดีมีคำสอนนะของพุทธเจ้านะชื่อว่าอนาคตตะไ ครูเจ้าสอนเรื่องอนาคตภัยใน5ประการนะครูเจ้าสอนพระนะแต่ที่จริงเอามาใช้กับญาติโยมได้ครูเจ้าบอกว่าเนี่ยในยานที่เป็นหนุ่มนะมีกำลังวังชาก็ขอให้เราลึกว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจ ะ, ะแก่เท่านะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะปฏิบัติทําได้ลำบาก พะฉะนั้นเนี่ยในขาที่ยังยังเป็นหนุ่มมีกำลังวังชาก็ให้รีบปฏิบัติธรรมซะประการที่2เนี่ยในขาที่เรายังมีสุขภาพดีนะมีทุกขเวทนาน้อยก็ให้ระลึกว่าวันหน้าเนี่ยเราอาจจะเจอโรคภัยแค่เจ็บบีบคั้นถึงตอนนั้นเราจะปฏิบัติธรรมได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้รีบทำซะข้อ3เนี่ยขที่เรายังมีอาหารนะ มีอาหารกินนะไม่ขาดแคลนก็ให้เราลึกว่าวันหน้าเนี่ยนะอาจจะเข้าข้าปลาอาหารจะหายหาลำบากถึงตอนนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบทาเสร็จแต่วันนี้ประการที่สี่ในขณะที่บ้านเมืองยังปกติสุขอยู่นะ ก็ใเราลึกว่าวันหน้าเนี่ยอาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมเกิดศึกสงครามถึงตอนนั้นเนี่ยจะปฏิบัติทำลําบากนะผู้คนก็อาจจะเข้ามาอยู่อพพักอยู่ในวัดไม่มีความสงบสุขนะบรรยากาศไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำเสีแต่วันนี้ข้อที่5เนี่ยค่ะที่พระสงฆ์หมูสง์ยังมีความสมรูครีกัน ไม่ทะเลาะเบาแวงกันมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็ขอให้ตระหนักว่าวันหน้าเนี่ยอาจจะทะเลาะเบาแวงกันนะอาจจะมีเรื่องกินแหนงแข่งใจกันถึงตอนนั้นก็ปฏิบัติทําลําบากเพราะฉะนั้นต้องรีบทํำซะจะแต่วันนี้อันเนี้ยนะเป็นการเป็นคำสอนที่ขอให้สังเกตนะว่าเป็นการมองถึงอนาคตว่าอะไรอรก็ไม่แน่ ผู้เจ้านี่ไม่ได้บอกว่าห้ามมองหรือห้ามคิดถึงอนาคตนะมัมีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราได้สวดกันเมื่อสอมวันก่อนเนะี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไลและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรคิดถึงอดีตนะควรคิดได้แต่ถ้าคิดให้เป็นนะก็คือไม่ได้คิดด้วยความหลงจนทําให้เกิดความอาไลอาวรแต่คิดเพื่อหาบทเรียนนะ อย่างจอโรเจอร์เนี่ยแกนึกถึงอดีตที่เพิ่งผ่านไปแล้วแกก็นึกว่าเออมันมาสอนเรา ว, ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงนะอันนี้เรียกว่าดีแล้วก็เ ห, หมายความว่าห้ามคิดถึงอนาคตนะแต่ว่าอย่าคิดด้วยความหลงคือคิดไม่เป็นนะนึกถึงอนาคตด้วยความพะวงด้วยความห่วงกังวลแต่ถ้าคิดเพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทเพื่อกระตุ้นเตือนให้เรารู้จักวางแผนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีควรทา การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นคำสั่งพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าไม่ให้นึกถึงอดีตนะไม่ให้นึกถึงอนาคตนึกได้แต่ถ้านึกให้ต้องนึกให้เป็นนะนึกด้วยสติด้วยปัญญานะเพื่อหาบทเรียนจากอดีตและเพื่อเตือนใจไม่ให้ประมาทกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะนะอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าการคิดถึงอนาคตเนี่ยคิดได้นะไม่ใช่ว่าสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันและห้ามคิดถึงอนาคต นะคิดถึงอนาคตเพื่อเตือนใจให้ไม่ประมาทจะได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนีนะ้ก็คือคิดเพื่อให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันหรือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมันต้องมามันต้องโยงมาถึงปัจจุบันนะถ้าเราจะคิดถึงอดีตก็ตามคิดถึงอนาคตจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหรือว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันหรือทำสียแต่วันนี้ไม่ผัดผ่อนนะไม่ประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่ประมาทว่าเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ประมาทว่าเรายังมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไม่ประมาทว่าบ้านเมืองปกติสุขไม่ประมาทว่าหมู่สงนี่ชุมชนสงอยู่กันอย่างเรียบร้อยเพราะอะไรรก็เกิดขึ้นได้นะเนะนะพราะนันนี่เราอ่า ฟังไว้แล้วนี่ก็นะลองกลับมาใคร่ควรกับช่วของเรานะเพื่อตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตคํานิ้วพ ก, กับท น, นีนนะเอาครับ